ตายคนเดียวสบายดีนี่เพราะเห็นใจหมู่บ้านแล้วก็มาก็เป็นอย่างว่ายุ่มย่ำยุ่มย่ำเลยดวนเล่เป็นหมดวัดไลยจะหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นะนี่ไม่เคยมีมานะมาจากทิศไหนจากทิศไหนเรามาแล้วมันาก็กดก็ถ่วงเหยียบย่ํากันลงไปนั่นแหละ เจตนาไม่เจตนาไม่สำคัญสำคัญที่มันเป็นให้เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตายั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยหมาไปสะสมมาจากทิศไหนก่อทิศไหนใครมีรับที่นิสัยยังไงก็ออกมาจ่ายตลาดถ้ามันเป็นค่าเป็นราคาพอจะยึดไว้มันก็ดีอันนี้มันไม่เป็นท่างจริง ยังเกาจะกลายเป็นม่แรงวันต้องหึงๆนะมาใจปฏ้วั่ากูวาจะดาเนินมาเพื่อถอดถอนู่เลยไม่ได้เป็นอย่างนี้น ะ, ะเรื่องวัตถุมันเร็วมืดมุมขึ้แล้วเอาลองใส่มืดมุมขึ้ น, น, น, น, นยันแ้่ามองไปยังกระ็ุ่ม ขุเกินเหตุเป็นผลเป็ น, ป น, ปนกองฟืนขึ้นมากองไฟขึน้นมาการสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่อยสอนทุกแง่ทุกมุมไม่มีอะไรสงสัยก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจนี่เลทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่ได้สอนหมู่่อนไม่ปรากฏ นำบ อ, อกมาสอนหมดปฏิปตาเครื่องนำเนินทุกสิ่งทุกอย่างอีนี้มากต่อมากมันเลยเลอะๆเทอๆไปมันหันะนลกลูดกันไปในตัวลากถูกันไปในตัวให้ตลอกปอกเปิดประจต่างกันหลักสําคัญของการทอนปฏิปตาคือการนำเนินเพื่อเพื่อเพื่อแก้เพื่อถัต อ, อนจเตเ็ศมันคืออะไรเนี่ย เรบอกแล้วความระวังตั้งตัวอยู่เสมอต้องตัดความอยากความเสียดายทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยสัมผัสสัมพันธ์อันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆอย่าไม่เสียดายไม่อะไรนี่คือปฏิปฏัทาอยากเห็นไม่เห็นอยากดูไม่ดูอยากฟังไม่ฟังจึงเรียพอเป็นท่าต่อสู้กันส่วนมากความอยากรู้อยากเห็น วนนี้มันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นกองเต็มหัวใจมันไม่มีเรื่องอัดต้องทำเลยในวงผู้ปฏิบัติเนี้ยจะว่าตอดถอนกิเลสยังไงมันมีแต่กิเลสทำงานถ้าว่าทำมีอยู่บ้างเล็กน้อยของกิเลสสังหารทำอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจเราของผู้ปฏิบัติเพื่อฆ่ากิเลสนั่นแหละแต่กิเลสฆ่าตัวเองไม่ดู เบีดนาที่จะฆ่ากิเลสออกมาสะกเย็บหนึ่งก็ถูกกิเลสปัดมือหักขาหักไปหมดแล้วย่อลายแก้กิเลยการปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสต้องฝืนทั้งนั้นทุกระยะมีแต่การฝืนแต่การต่อสู้นั่น่ะคือปฏิวัติทาเพื่อต่อถอนกิเลสไม่ใช่เพื่อคลอยตามไม่ใช่ ให้มันถูดลาบไปอยู่ตลอดเวลาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทำมาโรงที่มันคิดมันมีตั้งแต่เรื่องขีดกิเลสขึ้นมาอยู่ตลอดเราไม่รู้ทั้งภูมิใจอยู่้งลึกถึงอัดทั้งทำเรื่องข่ากิเลสได้ชั่วขณะแต่กิเลสเกยียบย้ําทางลายไม่ทราบว่ากี่อีเดียาบก ถ้ามีสิบปิยาบทก็จะทั้งสิบปิยาบท อ, อเหนินเดินฟ้าไปปฏิเมฆปฏิไปเมฆไปปฏิ ป, ป, ป, ป, ปจันท์มันก็เหยีายบย่ําไปตลอดถ้ามีกี่ปียบทมันก็เป็นยังไงบอกเคยสอนแล้วว่าอะไรที่แหลมคมที่สุดคล่องตัวที่สุดไม่มีอะไรเปินอยเฉลีน่นี่ได้พูดได้บอกเสมอเทศทีไรไม่เคยเว้นแค่สิ่งเหล่านี้ต้อง ต่อสู้ตัดความอยากความเสดายอยู่ตลอดเวลานี่แหละความอยากความเสียดายนี่เป็นพื้นเพของเด็กโดยตรงมันไม่อยากและเรื่องอยากทำทั้งๆที่เราต้องการมาปฏิบัติทำด้วยความสนใจอยากพ้นทุกแต่ที่มันแทรกอยู่ในนั้นมัมนอยากกงกันท่ามไปหมดอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากสัมผัสสัมผัสอะไร มันมีเป็นเรื่องของกิเลสก่าให้อยากว่าให้เป็นไปไม่ใช่เรื่องของธรรมอันเรื่องของธรรมนั้นมันชั่วขณะท่นานะเรื่องของกิเลสนี้มันเป็นพื้นไปเลยตลอดเวลาแล้วจะ้อนกิเลสที่ตรงไหนฆ่ากิเลสที่ตรงไหนและอะไรที่เป็นพายันยิ่งใหญ่ภายในหัวใจของสารโลกยิ่งกว่ากิเลสและที่โลกทั้งหลายไม่เห็นเคลื่อนไปตาม ก็เพิ่มไปตามรับไปจนไม่มีเวลาตื่นไม่สนใจจะตื่นนั่นเพราะอะไรป ร, ระกอบความกล่องของกิเลสมันกล่อมไม่สนิทขนาดนั้นบอกแล้วเราไม่เคยมีทำมากล่อมใจเราพอเป็นคู่แข่งกับกิเลสแล้วมันจะรู้ได้ยังไงว่ารถแข่งทำชนะรถกิเลสหรือยิ่งกว่ารถกิเลสเยี่ยมกว่ารถกิเลสเราไม่เคยเห็น มันไม่เคยปรากฏไม่เคยสัมผัสผานจิตใจอย่างว่าสมาธิทเนี่เนรียนกันดูงั้นปฏิบัติเพื่อสมาธิแต่มันก็เพื่อกิเลสไปในตัวด้วยความสวมวอยของมันนั่นแหละนี่คือมันถึงหนักใจเราะนี่มันเคยได้ต่อสู้เคยฟัดเคยเหวี่ยงออกมาแล้วแทบเป็นแทบตายชีวิตเดินตายมาเพราะการต่อสู้เพราะการฝ่าฝืน ฝ่าฝือนอารมณ์ก็ฝ่าฝืนฝ่าฝืนธาตุฝ่าฝืนขันเรื่องความเจ็บปวดความทุกข์ความประมาณเพราะการต่อสู้อิเดศก็อะไรฝืนฝื น, น, นอยู่ทุกแ ง, ง่ทุกมมการสู้วิเดศไม่มีระยะที่จะไม่ฝืนจนกว่าว่ามีทำแทรกขึ้นมาแทรกขึ้นมาพอได้ยึด เป็นเรื่องเทียบเคียงและเป็นคู่แข่งกันนั่นแหละจิตใจเพจะหมุนมาทำหรือจะดูดืีในธรรมแล้วส่วนใดที่ละเอียดยิ่งกว่าความรู้ความเห็นในธรรมของเราอันเป็นเรื่องของกิเลสมันก็ต้องถูกถูกมันกล่อมอีกเหมือนกันแต่ก็ไม่พ้นเรื่องของธรรมที่จะตามรู้ตามเห็นมันจนได้ เท่าความละเอียดของธรรมมีเปน็นขั้นขั้นขั้นตอนเช่นเดียวกับความละเอียดของกิเลสสุดท้ายก็่าธรรมก็แหลมคมยิ่งกว่ากิเลสเหนือกิเลสที่เรียกว่าโลกุตตาธรรมแปล ว, ว่าธรรมเหนือนสมมติธรรมเหนือนโลกการปฏิบัติถ้าไม่ฝืนจริงๆอย่างว่านี่ไปไม่ได้นะ แต่จมไปอย่างนี้อ่ะเรื่อยไปอย่างนี้ยวันคืนปีเดือนก็ เ, เ อ, อะไรมีแต่มือกับแจ้งเราหวังอะไรกับมือกับแจ้งหรอนี้หวังอะไรกับสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ที่มันเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วมันนับได้เมื่อไหร่เรื่องความสัมผัสสัมพันธ์มันเป็นบุภายในอริตนะของเราตลอดเวลาแล้วนับมันได้ยังไงแล้วผลประโยชน์ที่ปรากฏขึ้นจากการสัมผัสสัมพันธ์มันนับได้อะไรบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ วร น, นำมาทดสอบในวงปฏิบัติเพื่อกำจัดยิริยะไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วหูวก็ไม่ไม่ได้ทดสอบถ้าทดสอบก็ต้องมีการเสร็จหลาบกันผู้มาใหม่ก็ต้องดูผู้อยู่เก่าหูมีตามีใจมีมาเพื่อศึกษาอย่าให้ได้หนักอกหนักใจ ในสิ่ง ย, ยากซึ่งไม่น่าจะต้องตั้งนโมพรมมาจจรูกาอาราธนาเทศสอนกันทนานั้นมาศึกษาอะไรเพื่อความรู้ความเข้าใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางสัผสมผัสทางันเป็นสิ่งที่จะให้เข้าใจทางนั้นถ้าต้องการความเข้าใจนอกจากไม่เอาไหนนปล่อยให้ยเด็ดลากไปทั้งสดสดร้อนๆมันน่าสรุปสังเวรนะ แดนนิพพานไม่ใช่อยู่อย่างที่เป็นอยู่นี่นะผู้ก้าวเดินผู้ก็แดนนิพพานไม่ใช่ก้าวแบบนี้นะแบบหลับหูหลับตาตลอดเวลาคือสติไม่มีความเพาเขียนไม่มีมีแต่กิเลสลากไปลากไปก็คือแดนแห่งวัฏจักรนั่นเองจะไปแดนไหนมันเป็นไปอยู่ในหัวใจนี้เป็นไปเพื่อแดนวัฏจักร มหมุนไปตลอดเวลาไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายอาจจะตัดวัตตาความหมุนของตนให้สั้นก็สั้นเข้ามันก็ต้องให้มีต้องได้ต่อสู้ไม่มีงานมีการอะไรมีแต่คิตแต่ภาวนาทุกยากลำบากขนาดไหนก็สู้ที่เราเป็นนักสู้สู้วิธีนี้แล้วสู้วิธีนั้นคลิกแปลงพลิดแปลงเปลี่ยนแปลงวิธีการต่อสู้ อยู่โดยสม่ำเสมอจึงเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในเชิงรบในเชิงต่อสู้มาอย่างนั้นจอมนี่ใครพูดเสมอเรื่องสติปัญญาที่จะแก้กีิเลนี้เป็นสติปัญญาที่ผิดขึ้นโดยธรรมโดยตรงทีเดียวถึงที่เราคิดทางโลกโลกที่จะนํามาใช้นั้นกนได้นิดๆหน่อยๆก็ไม่พ้นทีกิเลสที่จะว่ า, าไปเป็นเครื่องมือของมันเปนได้แหละ จึงต้องสติปัญญาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติทั้งตัวนี้เท่านั้นแล้วสรุปลงแล้วคือสติปัญญาในวงเ พ, พาิตาภาวนานี้เท่านั้นเป็นที่จะล้างฝ่าชาา้าภายใจิตใจออกให้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือคือปัญญาประเภทนี้เท่านั้นไม่มีปัญญาใดในสามแดนโลกฐานนี้ที่จะสามารถถอดถอนจิตหิด ออก็ได้โด้ยดับตำดามีปญญัญญาที่กล่าวมาสามประเภทนั้นเน่ยางที่เคยพูดแล้วสุตามัจญปัญญาการได้ยินในความจากครูจากอาจารย์เพื่อสติปัญญาเพื่ออุบายวิธีที่จะนำไปใช้ในการแก้กิเิกของตงนตามัญปัญญาคิดอ่านตรายตรอง ด้วยอุบายแยกขายเพื่อจะแก้ีิเลยเพื่อแกก้ีิเลยนี่ภาวนามยปัญญานึกเป็นที่รวมแห่งปัญญาทั้งหลายนี่แหละปัญญาแท้เครื่องมือแท้ที่จะแก้กวัตจักออกภายในจิตมีปัญญานี้ประเภทเดียวเท่านั้นรวมลงไปอยู่ประเภทนี้อย่างเดียวจําให้ดีอุปทิบัติ เมื่อได้ก้าวถึงปัญญาขั้นนี้แล้วอยู่ไหนก็เป็นปัญญาหมดไม่ต้องอาศัยหยิบยืมมาจากที่ไหนไม่ต้องไปศึกษาจากใครมันหักผิดหักเป็นขึ้นมาภายในจิตใจทั้งสัมผัสสัมพันธ์ทั้งไม่สัมผัสสัมพันธ์มันผิดตัวเองอยู่ตลอดเวลาปัญญาประเภทนี้แล้วเหมาะสมกันกับกิบเลสที่มันผิดตัวเองมันทําหน้าที่ขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนั่นแหะ เครื่องแก้ก็เหมาะสมเครื่องแก้ก็พอๆกันหรือเหนือกันไปโดยลำดับลำดับนิเวกที่มันทํางานอยู่โดยอัตโนมัติในหัวใจของสัตว์สติปัญญาในขั้นภาวนามัญญาปัญญานี่ก็ทํางานทุงตนโดยอัตโนมัติไม่ก้องแต่หาหยิบยืมจากที่ไหนฮัเกิดขึ้นมาได้เกิดขึ้นมาได้คลี่แคลงเปลี่ยนแปลงปปปหลายสันหลายคมเป็นไปเองในธรรมชาติของปิตุ น, นี้ที่ใน บนเวทีกับกิเลนนี่ท่นเรียกว่าภาวนามยปัญญาแช่พระพุฏิเจ้าสาวกทั้งหลายถอดถอนลางเงาข้อมูลเผื่อวิชาออกจากใจเพราะปัญญาประเภทนี้ไม่ใช่ปัญญาประเภทไหนสุตตามยปัญญากินตามยปัญญาเป็นเพียงพื้นพื้นหรือเป็นเป็ น, ป น, ป น, ปนพื้นฐานที่จะก้าวเข้าไปสู่ปัญญาประเภทนี้พอถึงขั้นนี้แล้วเป็นขึ้นมาเอง เหตุการณ์สาขาแตกแขนงออกไปจากปัญญาประเภทนี้ผู้ไม่ปฏิบตัติผู้ไม่รู้ไม่เห็นพูดไม่ได้ปัญญาประเตุนี้ผู้ปฏิบตัติผู้เป็นไปพูดได้เต็มปากโดยไม่กระดาษอายกับใครเพราะเป็นขึ้นในหลักธรรมชาติของจิตไแท้ของธรรมได้แท้ภายในจิตนหละคือปัญญาหรือถอนแท้ ปัญญาอันนี้เองที่เมันจะมีมากขนาดไหนไม่มีเวลาผิดตัวขึ้นมาได้แหละถ้าลงสติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดขึ้นแล้วมีแต่หลกแต่ซ่อนที่เดียวเพราะมันก็ฉลาดมันจะไปทิ้งวนลา ย, ยัางไงที่เรนมันฉลาด ครองโลกมานานแสนนานครองหัวใจมานานแสนนานเมื่อถูกตีต้อนจากสติปัญญาทางนี้มันก็ต้องหลบต้องหลีบหลบฉากแต่มันก็ไม่พ้นที่จะพิณาธาพลาออกไปจากใจด้วยปัญญาประเภทนี้เอาจกนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจแล้วนี้โล่งไปหมดมีอะไรเป็นภัยต่อเรา อีู่เคยเป็นมาเป็นมาก็ภราบอืเอเรื่องา่าอเรื่องขันเจ็บไข้ได้ปวดกิเลส ก, ก็เข้าแทรกให้เกิดความเหือดร้อนเสียใจกลัวเป็นกลัวตายเนี่กิเลสมันแทรกแทรกอยู่นั่นอันนี้เมื่อความแทรกอันนี้มันได้สิ้นซากลงไปแล้วอะไรจะมาแทรกเจ็บก็รู้ว่าเจ็บปวดก็รู้ว่าปวดท่าขันมีคนมีการก็รู้รู้โดยหลักธรรมชาติไม่เสร็จในสันไม่ปั้นไม่ยอ่อ ขาดโน้นขาดนี่ไม่กลัวเป็นกลัวตายเพราะสิ่งนี้เป็นความจริงชราปีทุกข้างังเนี่ยนําปีทุกขังเนี่ยความเจ็บไข้ไร้ป่วยเหล่านี้มันก็เป็นสัจธรรมเพราะมันเป็นกองทุกข์แล้วมันจะไปฝืนกันได้ยังไงปัญญาก็เป็นสัจธรรมมากสัจจะหน่กทุกเกิดขึ้นในธานในุขันธ์ก็ เป็นสัจธรรมอยู่ทุกขัตส์นีแล้วมันจะมีอะไรมาเสียดมาแทงกิตใจขันเป็นยังไงก็รู้มันเป็นอย่างนั้นมันคลองตัวอยู่หน้าก็คลองเมื่อมันคลองไม่ได้ก็ตามสภาพของมันเพราะมันพร้อมที่จะไปอยู่แล้วเมื่อถึงการแล้วห้ามมันไว้ทําไมเยียวยากันไปตามเรื่องตามเหล่าเยีาวยาไม่ได้ก็ปล่อยไม่ได้ก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แบบไปหาบูปทานแล้วอะไรจะมาเสียดแทงกิตใจ พูดถึงดูดเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสที่เคยเข้ามาสัมผัสสัมพั ส, สภายในใจเพราะม่มีเชื้อภายในรับกันไม่มีผู้ต้อนรับอยู่ภายในเมื่อสัมผัสแล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปตามหลักธรรมชาติของมันผู้รู้ก็รู้อยู่ตามหลักธรรมชาติทั้งตมต่างอันต่างไม่เป็นภัยต่อกันแล้วอะไรในโลกนี้จะมาเป็นภยัยนอกจากกิเลสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเป็นภัยต่อสรรพโลกเป็นภัยต่อจิตใจถ่านลงในกิเลสได้สินส้นซากลงไปแล้วไม่มีอะไรเป็นภยัย ขันก็เป็นขันเป็นภัยอะไรรู้ตามเป็นจริงโดยหลักธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องบังคับบัญชาเป็นหลักธรรมชาติความจริงอยู่ด้วยความจริงไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดรู้ว่าเจ็บรู้ว่าปวดจะแตกก็รู้ว่าแตกความรู้นี่ไม่ได้ลาตัวเองแต่ความรู้ในวงขันนี่เพิ่งทราบว่าขันนะแต่ความรู้ในหลักธรรมชาติ อนติว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์นั้นไม่ได้เป็นความรู้ประเภทเหล่านี้ที่กล่าวมาเหล่านี้เพราะฉะนั้นคำว่าพระรหันต์อย่างนอนอยู่แล้วไม่ใช่พระรหันต์ซึ่งบาคนไม่เคยภาว น, นาทันจะ ไ, ไปรู้เรื่องของพระรหันต์ได้ย่งไรอืมอาการั้ทั้งหมดเป็นความรู้ที่ปรากฏอยู่ในวงขันนี่มันเป็นสมมุติมันเป็นขันทั้งนั้นมันไม่ใช่ชากรธรรมนั้นที่เอานํามาอ้างว่า พระอรหันต์เป็นชาคราธรรมพระพุทธเจ้าชาคราธรรมตื่นอยู่ตลอดเวลาถ้ายังหลับนอนอยู่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์ชาคระนั้นไม่ได้ไม่อยู่ในวงขันการหลับการนอนเป็นเรื่องของขันพักพ่อนห่อนตัวเป็นธรรมดารู้กับรู้อยู่ในวงขันไม่ใช่เ อ, อวิสุทธทิธรรมหรือไม่ใช่วิสุทธทิจิตความรู้เหล่านี้มันเกิดมันดับได้นี่ฮะมันเป็นสมมติมันเป็นอนิจจทุกขังตาตามแบบธรรมชาติของมัน ท่านถ้าจะเป็นวิสุธทธิจิตที่เป็นชากรธรรมทำไมจะไม่รู้อาการเหล่านี้ที่แสดงตัวอยู่แล้วหลับแล้วตื่นทําไมจะไม่รู้เรื่องของขันสงบตัวเรื่องของขันตื่นตัวขึ้นมาทําไมจะไม่รู้ถ้าเป็นชาคกรธรรมในจิตจริงๆนอกจากชากระมันไม่มีเลยในจิตมีแต่ลมแต่แรงลมปากเรียนจดจํามาเท่านั้นมันก็ไปเหมาาทั้งขันเหมาเอาหมดว่าเป็นชาคกะธรรมแล้วก็นอนไม่ได้พระอรหันต์เป็นบ้าขนาดนั้นแถวหรือ เรียนความรู้วิชามาจนถึงท่านท่านชานขั้นชาคะธรรมแล้วยังมาหลงชาคลธรร ม, มเรื่องการหลับการนอนเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์พระสารท่านไม่สงสัยชาคละท่านก็ไม่สงสัยเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องเรื่องพักผ่อนหลับนอนเก็บนั่นปวดนี่ท่านก็ไม่สงสัยเพราะท่านทรงไว้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นความจริงล้วน ชาคณธรรมก็เป็นธรรมชาติที่ความจริงสูดยอดนอกสมมุติแล้วในวงขันก็เป็นชาคะณ์ก็เป็นสมมุติอันหนึ่งของขันแน่มันรู้รอบไปหมดแล้วท่านจะไปสงสัยอะไรกับการหลับการตื่นนอนหรือไม่นอนท่านรู้ท่านเองเราอวดรู้อวดฉลาดตร้ไปอย่า น, น, <c oughs> นั่นแหละคนโง่อวดฉลาดมันน่าหมันใช่ขนาดไหนประหลาดที่เห็นความจริงจริงท้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ ไม่ได้มันใช่พระพุทธเจ้ามีบทบาทใดที่โลกทั้งหลายได้มันใช่มีไหมสอนโลกมานานเท่าไหร่กว้างขนาดไหนแปดมืธรรมกันนี้เพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากนะที่จดจำเล็กไว้แปดหมื่นสี่พันปรมกันพอให้เหมาะดีกับคำให้เหมาะสมกับกำลังของสัตว์โลกที่จะจดจำไปปฏิบตัติต่างไม่ได้มากมาอะไรเลยและมีบทใดบาทใด ที่หน้ามันไช้มีไหมเพราะเป็นความจริงล้วนๆหมดเอาอะไรมาหมั่นไส้ความมั่นไส่นั่นก็คือเรื่องของกิเลสซึ่งเคยเป็นค่าสึบแต่ทำอยู่แล้วถือมาเป็นอารมณ์อะไรนะคำ ว, ว่าหมั่นไส้ก็คือวผิดจริงๆมันหน้ามั่นไช้ต้องหมั่นไส่นั่นคือตำหนีตามความจริงไม่ตำหนีแบบกิเลสเรืความจริงกับความจำ มันมาเป็นค่าสืบกันได้ถ้าลงในรู้ความจริงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจะ อ, อะไรมาเป็นค่าสื่ออืบความจําเป็นได้เพราะความจํามันมีกิเลสเป็นเจ้าของอยู่นั้นนี่ยกตัวอย่างเช่นศึกษาเ ร, าเรียนม า, มามากน้อยในด้านธรรมนั่นแหละอืเรียนไปให้จบพระกายไปดุจ ม, ม, มันจะเกิดความสําคัญขึ้นมาว่าตนมีความรู้ความฉละ มากเป็นความถือเป็นความยึดขึ้นมาในนั้นออกงั้นก็พยองผ่องตนไปสแสดงออกมาทางมารยาททางกิริยาท่าทางได้กันเราเหมือนจะเป็นจอมปรดาดไปนั่นแหละเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงก็เอาใจะอะไรมาผ่องมันมีอะไรที่จะพองมันเหมาะเจาะสักทุกสิ่งทุกอย่าง เรื่องที่มันปีนเกลียวนั่นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดนี่ครูบาอาจารย์ก็ร่อหลอลงไปร่อหลอลงไปเห็นไหมหระใครจะสอนเองให้ถึงเหตุถึงผลถึงอัตถึงธรรมถึงความจริงเต็มสัดเต็มส่วนได้ฟังอย่างเต็มหัวใจถ้ารู้ไม่เต็มหัวใจแล้วสอนจะเต็มหัวใจไม่ได้นะรู้ไม่จุใจเทศก็ไม่จุใจผู้ฟังก็ไม่จุใจเนี่ยสําคัญ ครูบาอาจารย์ท่างหลายที่ท่านเทศให้ถึงเหตุถึงผลก็คือท่านรู้เหตุดู้ผลเต็มเหตุเต็มผลบรรจุไว้หมดแล้วภายในะในสิ่งที่ท่านนํานํามาสแสดงแก่พวกเรามัานเป็นที่สงหน่าสงสัยที่ตรงไหนนอกจากเรายังปฏิบัติไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ถึงไม่เข้าใจเท่านั้นก็รู้รูปความคําไปตามภาษีภาษาฉะนั้ท่านผู้รู้จริงเห็นจริงท่านเอาอะไรมาลูบมาข่ำท่านถอดออกมาจากความจริงซึ่งรู้เด่นอยู่ภายในจิตทั้งท่าน สัจธรรมก็ปรากฏเด่นชัดอยู่นั้นนำมันนั้นมาแสดงแก่โลกท่านไม่ยึดสัจธรรมแต่ท่านเอาสัจธรรมซึ่งเป็นทางดำเนินทั้งฝ่ายผูกฝ่ายมาัดมาสอนโลกได้อย่างเต็มหัวใจเต็มปะท่านไม่สงสัย แย่เอาอาดีตอนาคตเขามายุ่งในวงความเพียนนะนี่แหละคือเรื่องเอาที่เรื่คืหมากัว่าที่เลื่องเข้ายุ่งผู้ใดงานในความลําบากลําบนต่อการประกอบความภาคเปียนวันนั้นก็ประกอบมาอย่างนั้นวันนี้ประกอบมาอย่างนี้เป็นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความทุกข์ความทรมานนี่เราจะสู้ไปได้ถึงไหนนาะหนานเอาละนะที่เลื่องมันทันเข้ามาแล้วมันจะให้กล้าไม่ออก กิเยสมันคันหัวใจมากี่กับกี่กันไม่เห็นคิดอินหน์านาใจกับมันบ้างถ้าจะแก่ทำก็ต้องแก้อย่างแก่มันก็ต้องแก้อย่างนี้สหน้าปฏิบัติต้องสวนกันเนสวนหมัด ก, กันเรียกว่านักปฏิบัติเพื่อความฉลาดเหนือกิเลสมันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็ไม่เลยตายแล้วตายจะมีในกองทุกข์นี้มากี่พวกี่ชาติเกิดชาติไหนพบใดพบไม่ตายมีเหรือก่อนจะตายมันทุกข์รุกขนาดไหนแล้วเอา ขันอันนี้ประมวลขันทั้งหลายอดีตเข้ามารวมและอนาคตเข้ามาดูในวงปัจจุบันนี้มันก็รู้ทันหมดมเคยตายมาเท่าไหร่เคยทุกมาเท่าไหร่ทำไมไม่เห็นอินทนาละอาใจการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กิเลสทำไมมันอินนาลาอาใจถ้าไม่แพ้กิเลสอย่างบุตรยจนกรอกหาตังออกอไม่ได้เลยจะเป็นจะเรียกว่าอะไรนักปฏิบัติ เวลามันปิดที่มันปิดจริงๆนะปิดจนหาทางออกไม่ได้มันล่าเอาไปต่อหน้าต่อตานี่ไม่ลืมนั่นนี่นะนี่เหตุที่จะได้กดอาหารผ่อนอาหารโดอาหารเพราะอันนี้แหละมันล่ามันถูต่อหน้าต่อตากําลังมันมากกว่าเราต่อสู้ต่อสู้ไปเหมือนผู้ใหญ่จูงแขนเด็กวิ่งอย เด็กที่ต่อสู้ขัดขืนนั้นนเขาเท่าไรมันก็สู้กําลังผู้ใหญ่ไม่ได้มันก็้าไปต่อหน้าต่อตาเด็กไปพอใจร้องห่มร้องไห้มันก็ต้องถูกลากถูกถูกไปจนได้นะอันนี้เหมือนการี่เลกแล้วไม่พอใจขนาดไหนมันก็ลากไปจนได้เวลามันกําลังมากเป็นเนหาวิธีแต่พ่ออย่างยิ่งรากะตัญหาเป็นสําคัญอันนี้จะพอลดหย่อนพอฟัดพอเหวี่ยงกันได้บ้าง พอพยุงตัวไปได้ก็คือการผ่อนเมื่อผ่อนแล้วความเพียรก็กล้าอย่างน้อยก็สงบอันนี้ไม่คึกไม่ขนองเพราะเครื่องมือเครื่องส่งเสริมยาค่ตันหามมันไม่อำํอำนวยกําลังถูกตัดลงไปเรื่ อ, อยๆพิจนาทําทหมดแล้วนี่จึงต้องไเอานี้ช่วยนอกจากช่วยในขั้นนี้แล้วยังช่วยเพื่อความคล่องตัวของสมาธิ ควละเอียดของสมาธิความคล่องตัวของปัญญาไปไม่มีสิ้นสุดนะทางนั้นถูกกับจริตแล้วส่วนมากถูกเพราะสิง่ง น, นี้มันตัดทอนกําลังของติเลตเครื่องมือของกิเลสได้เป็นอย่างดีอาการสมาธิมันละเอียดในเวลาที่เราโทหารกับเวลาที่ปกติคิดกันอยู่มาก ละเอียดนั่งอยู่ก็ละเอียดใชจิตเป็นสมาธินั่งอยู่ก็ล ะ, กะกละเอียดละออยยิ่งมันสงบตัวลงไปแล้วก็ยิ่งละเอียดนี่ปูดถึงขั้นปัญญาการพิจารณาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวมันจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องในกดไปยพอนมันอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะผลมันมีอยู่อย่างนั้นมีขั้นพื้ น, พ, นพื้นแล้วยังมีขั้นต่อไปอีกดยลำดับ ขั็นพื้นก็คือขั้นต่อสู้กับยุเรศตัวมันผาดผนด้วยการผ่อนการอดทหารเพื่อตัดกำลังเครื่องมือของมันออกไปไม่ให้มันมีกำลังมากถึงขัขนาดที่ว่าถูไทยเราลากเข็นเราไปต่อหน้าต่อตายังพอพัดพอเหยียงกันไปออกจากนั้นก็ทำให้จิตจิตเป็นสมาธิสงบได้ดีละเอียดลงไปทำให้ปัญญาคล่องตัว ผมก็เห น, นื่อยนะคมาพูดธรรมะธรร ม, มแต่ละขั้นละขั้นพูดแบบโลกผมเหมือนได้ตั้งท่าตั้งทางอะไ่างงียมันไม่เหมือนแต่ก่อนพูดอะไรคอยจะจะหน่อยคอยจะจบแสดงอาการที่หยิกที่ฝัทงท่าดันกันแสดงทำทั้งนั้นเนี่ยฟื้นเอาฉะั้นขอ ห, หมเพื่อนตั้งตั้งใจสูวิปฏิบัติ มาศึกษารวมก่อนมาจินมาจังอยมาทํ า, ล า, า, า, า, าท เ, ลเล่นเล่นละหล่อแหลกให้ขวางหูขวางตากีริยาการที่แสดงออกอยาให้เห็นความขนองอย่าแสดงความขนองให้เห็นในทางกิริยามารยาดูไม่ได้นะ <S <S นักปฏิบัติไปแสดงหาอะไรความขนองก็เป็นเรื่องของกิเลสรู้แล้วสนิทกันก็อย่ามาสนิทแบบีิเลยเหยียบหัวให้สนิทกันโดยทํา ยับไปมันเห็นแล้วยับไปมันได้ยินแล้วย่เนี้ยมันจะไม่ทิ่มสมองอยู่ตลอดเวลาอย่างไงถ้าว่าสมองถ้าทิ่มหัวใจก็ทิ่มจนมันจะเลอะมันจะเละแล้วนั้นเองไอสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับหมกกระเพื่อมมันเข้ามาทิ่มภายในหัวใจเนีมันไม่ทราบไปเิเว่านี่หัวใจมันจะพังนะมองมางตามันก็ทิ่มเข้ามาฟังทางหูมันก็ทิ่มเข้ามา จะของไม่ซัเข้าใจจะของไม่สนใจจะรู้จั่วจะเลือกของจะของแต่ให้คนอื่นไปรู้ให้นี่สิไม่ได้ตั้งใจจะยกโทษยกกรมูเพื่อแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจะว่าไงมันเห็นอยู่นี่ตามตาอยู่นี่ตามหูอยู่นี่จะเทือนก็ถึงใจอยู่ตลอดเวลาว่าไงนี่หรือ ว, ว่าคือฆ่ากิเลสฆ่ากันอย่างนี้นี่อฆ่ากันด้วยความคิดความขอนอง ถ้าต่อความกีดขวางทำ่างนี้แหละมันเป็นทางแล้วเลยสติปัญญาอยู่กับไหนก็ามาอยู่ของขวัญใจสิ่งอันนี้มันแสดงมาจากไหนมันแสดงมาจากใจถ้าเป็นผู้มีสติปัญญาอยู่แล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องการแสดงออกของสิ่งเหล่านี้นี่นทำให้ผู้อื่นอยู่ไกลๆได้เห็นได้สัมผัสสัมพันธ์ได้รู้เจ้าของไม่รู้เป็นยังไง น, นักปฏิบัติ เช้อดายลายโลกอันนี้ถ้าพูดถึงปา่าช้ามันก็เป็นปัาช้าทุกลูบทุกน้ำทั้งสัตว์ทั้งคนในน้ําบนบกบนอากาศมันเต็มไปหมดมันวิเศษอะไรความเกิดความตายอ น, นิยจังทุกขังอนาตามันวิเศษอะไรสิ่งที่หลุดพ้นจากนี้ไปเท่านั้นเป็นของวิเศษผู้ที่มาประกาศทำสอนโลกคือไข่ถ้าไม่ใช่ผู้วิเศษ สิ่งที่เราจมอยู่นี่มันวิเศษอะไรพอที่จะติดจักร์รมันนั่งนาไม่อิ่มไม่พอไม่จืนไม่จาง น, นี่มันทำให้หนักใจอยากได้ยินได้ฟังหมู่บ้านมาพูดเรื่องภาวนาเป็นยังไงไงงก็ทำงานเพื่อทำเหล่านี้อยู่แล้วมันทำามไม่ปรากฏ ทำเหล่านี้ก็ที่จะสัมผัสสัมพันธ์ที่จะรับภาพที่จะยืนยันกันก็ยืนยันกันที่ใจของผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นไม่ได้ไปยืนยันที่บนฟ้าอากาศที่ไหนพอที่จะอากาศมืดไม่มีธรรมมายืนยันอากาศร้อนไม่มีธรรมมายืนยันอากาศหนาไม่มีธรรมมายืนยันทำอยู่บนฟ้าอยู่บนอยู่อากาศอยู่กับมืดกับแจ้งอย่างนั้นเหลรอทำอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่กับสิ่งอย่างนั้นพอที่จะคว้าผิดคว้าถูก นําแสดงได้ยากมายืนยันได้ยากอะไรมันอยู่ที่ใจวิริยะอูตรงไหนทําอยู่ตรงนั้นความมืดอยู่ตรงไหนความสว่างก็อยู่ตรงนั้นผิดขึ้นมาเห็นไม่ได้ยินนี่ทําไงถึ่งที่เราผ่านมาผ่านมาตจนมาตั้งปัจจุบันนี้ก็คือสิ่งที่เคยผ่านอยู่แล้วมันมีเศสศษวิโสอะไรทํายังไม่เคยผ่านยังไม่เคยรู้มันก็เห็นแล้วจอมปราบให้ด้วยผู้ประธานอะไรคือพระพุจ้า เขาที่ฝืนก็้าไปฝืนเพื่อศาสดาทำรรของศาสดาเป็นไปตามกิเลสทันันก็สุดจะเป็นนั่นแหละไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าใครมันพอๆกันหมดแข่งกันไม่ได้เรื่องของกิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะตัญหาความ ก, ากิดแก็เจ็บตายมันเป็นสาเหตุมาจากกิเลสมันเป็นมาด้วยกันไม่เห็นมีใครพิเศษพิสูจน์อะไรดูภายในตัวนี่ที ให้ได้เห็นที่ว่าจิตเวลานี้มันแบกอะไรอมันถึงในทุกย่ากลำํกลำบากลําบนสัญญาอารมณ์เต็มหัวใจที่ขาดนู่นขาดนี่มีแต่กิเลสมันสร้างเหตุการณ์ขึ้นภายในจิตใจทั้งหนักทั้งเบาอาดีตที่ลงไปกี่ปีกี่เดือนแล้วมันรื้อดัดดนมันกบข้าเข้ามาเผาเจ้าของอน า, าคตตกลมเล้งเล้งมันกบข้าเข้ามาเผาเจ้าของปั้นเป็นความจริงขึ้นมาเผาเจ้าของเนี่ยปัจจุบันมันก็ไม่รู้ ตั้งตที่มันสร้างอยู่นั่นน่ะสร้างเหตุการณ์คือฟืนไฟเผาอย่างของมันก็ไม่รู้และทําไงสิ่งเหล่านี้มันเป็นของวิเศษเลอะจะสร้างทำเพื่อชั้นล้างสิ่งเหล่านี้เพื่อปราบตามสิ่งนี้ให้มันสิ้นสร้างไปจากจิตใจเท่านั้นเวลานี้เรามาบวชในศาสนาเราไม่ได้เห็นที่ว่าจิตที่พ้นจากภาวะเหล่านี้แล้วเป็นอย่างไรอีกทีเด็ดมัน ผูกมันมัดอยู่ผลมันเป็นยังไงเอาจิตเรดถ้ามันแหลกไปจากใจแล้วผลจะเป็นยังไงให้ได้รู้ได้เห็น้นดีใจของเรานี้ท่านมูร์เจ้าแสดงทดสอนร้อนๆพร้อมที่จะปรากฏขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่าอาการลิโกแห่งธรรมไม่มีการไม่มีสถานที่เป็นร่ำลาขอให้ดำเนินเข้าไปเถินี่ ทำพร้อมเสมอที่จะเกิดแต่ก็เกิดไม่ได้เพราะกิเลสมันปิดมันบังช่องทางแห่งธรรมที่จะให้เกิดมันเกิดไม่ได้เพราะเหตุนี้ต่างหาไม่ได้เกิดไม่ไม่ใช่ทำเกิดไม่ได้เพราะอากาศมื้สอกาศร้อนอากาศหนาวสถานที่มาปิดมาบังมาหุ้มห่ออะไรเกิดไม่ได้เพราะกิเลปิดต่างหาแก้มลงไปตรงที่ตรงนี้เลย อย่ามาเป็นอารมณ์ความยากความรอดในการประกอบความภาคเทียนเอาประวัติวงปัจจุบันเป็นทางต่อสู้กันเป็นวิธีการต่อสู้หนักขนาดไหนก็ให้รู้ทุกมันเกิดแล้วมันกระดับได้เหมือนกันผู้รู้ว่าทุกขเกิดทุกดับนั้นมันไม่ดับกลัวตายอะไรผู้นี้ไม่ได้ตายเรื่องตายเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันจะหลายตัวเท่านั้นแต่สมมุติถ้าเปไปอีกว่ามันตาย ความจริงแล้วอะไรมันตายดินเป็นดินมาตั้งแต่กับไหนกันไหนมันตายที่ไหนน้ำลมใสเป็นของมันมาตั้งแต่กับไหนกันกับกับไหนกันไหนมันแต่มันตายที่ไหนซ่อนเข้าไปซ่อนเข้าไปสติปัญญาทำให้เห็นความจริงมันเกิดความกล้าหารขึ้นมา ถ้าลงพิจารณาลงถึงไม่มีอะไรตายประจักษ์กับใจแล้วมันไม่กลัวตายที่กลัวตายก็คือไม่เห็นความจริงความปลอมมันก็หลอกว่าตายกลัวตายเนี่ยลงถึงกั้นความจริงนี่จะเอาอะไรมากลัวนอกจากกล้าหาเต็มที่ต่อความภาพเพียนเราผ่านนี้ไปแล้วความกลัวมันก็ไม่มีความกล้าก็ไม่กล้ากล้าหาอะไรกลัวหาอะไรเนี่ยเมื่อพอตัวแล้วพอตัวแล้ว กล้าก็ไม่กล้ า, าหารก็ไม่หันกล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวดูตามความจริงทั้งตนสติเป็นของสําคัญพยายามตั้งไม่ได้อยู่ในวงไในก็ห้องอยู่ในวงกายไม่มาหนีจากนี้เป็นสัมปัตยชันยะอยู่ในนี้และลึกเป็นที่เป็นฐานเป็นจุด เป็นต่ำ น, นี้เรียกว่าสติความรู้อยู่ทั้งตัวความรู้ตัวซ้านไปหมดในตัวนี้เรียกว่าสัมปัตยัญญารู้พร้อมรู้ราบนะอันนี้แหละที่จะไปรวมตัวให้เป็นกำลังขึ้นมากลาเป็นมหาสติ ข, ขึ้นมาได้เพราะอันนี้รวมตัว เป็นมหาสติแล้วตั้งไม่ตั้งมันก็รู้หาสติมหาปัญญาเป็นปัญญาที่ทำงานภายในตัวเองโดยไม่ต้องถูกบังคับขู่เขนใดๆนั่นเป็นปัญญาที่ควรเกิดรูอภพรู้ชาติได้อย่างมั่นเหมาะไม่มีอะไรสงสัย การประกอบความเพีย่ยนที่ตั้งรากตั้งฐานในบังตมคือความสงบใจนี่มันยากด้วยกันนั่นแหละต้องใช้าหาอุบายวิธีการหลายอย่างหลายด้านหลายทางการที่ก่อบังตมเป็นอดข้าวอดน้ำแทบพ้นแทบตายร่างกายมีกําลังมันค่อยจะจะดิดเพื่อหาฟืนหาไฟมาเผาจะขอมีตลอดเวลาและดีดดิ้นต่อหน้า ต, ต่อตาด้วย นี่ก็เป็นความทุกข์พอถึงขั้นปัญญาแล้วมันไม่ได้ว่านะักทุกข์ไม่ทุกข์นะมันตะลุมบอนไม่ได้สนใจความที่เกียดขี้คร้านหายหน้าไปหมดท้อแล้วทอแท้อ่อนแอไม่มีมีแต่หมุนกิ้วติ้วติ้วดอ ย, อยาบดใดมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแม้ที่สุดฉันต่างหันอยู่มันก็ไม่ได้ละ การทำงานมันด้สนใจกับรสชาติอย่างอาหารอะไทั้งสิ้นแต่ทำหน้าที่ระหว่างกิเลสกับธรรมที่ต่อสู้กันภายในใจโดยหลักธรรมชาติหรือโดยอัตโนมัตินั่นแหละที่ว่าปัญญาที่สร้างตัวเองขึ้นมาโดยไม่ต้องไปคิดติดศึกษาจากใครอันนี้หมุนขึ้นมาหมุนขึ้นมาปัญญาประเภทนี้สติประเภทนี้แดกเป็นประเภทที่ทันสมัยที่สุดกิเลสนี้นับวัน ที่จะขาดส บ, บันลงไปขาดส บ, บันลงไปถ้าจะเทียบเป็นวัตถูกหางขาดขาขา ด, ขาดไปเรื่อยถูกสติปัญญาหาดสันเข้าไปขาดเข้าไปเดอะกวหัวขาดทังสลายแต่กระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจนี่ถ้าลงสติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดอย่นแล้วแน่ตอกความหลุดพ้นไม่ต้องสงสัยเพราะ สติปัญญาคันนี้ไม่มีคำวัดถอยนี่กับพุ่งพุ่งพุ่งต้องลั่งเอาไว้หรือจะเลยเถิดเช่นการพีนิพจนรณาทางด้านปัญญาเทินไปกับกิเลสสู้กับกิเลสจนลืมพักความสงบเพื่อเอากำลังในสมาธิอันถึงสอนไว้ละเอียดละออมากนั่นในชามการพิจารณา เมื่อถึงการพิจารณาและวให้พิจารณาเหมือนกับออกแนวรบกันถึงเวลาพักผ่อนก็ให้พักผ่อนในสมาธิเหมือนกับพักผ่อนแนวรบแล้วออกรบอีกต่อไปเรื่อวะนี่เหมือนกันนั่นเป็นความถูกต้องแม่นยำหาที่ค้านไม่ได้ พูดไปพูดไปผมก็เหนื่อยเอาละเอาแค่นี้แหละซ้อมคืนนี้มันไม่อาการมันไม่ดีเมื่อเช้าในต่ยแต่งงานไม่ค่อยได้